ส่ตุวัตตะวัคสิกขาบทที่หนึ่ง2 อ, ง อ, ยยอถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีสองรูปผู้นอนบนเตียงเดียวกันณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปนอนบนเตียงเดียวกันสองรูปในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัตบิบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอรกะโลมะสมุดฐานละ